พระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติคือเป็นเครื่องให้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจะให้โทษได้อย่างไรนั่นสิครับหลวงพ่อพระพุทธรูปคงไม่ให้โทษแต่ผมก็อดแปรใจไม่ได้ว่าทำไมถึงโชคไม่ดีนับแต่ได้นำท่านมาไว้ที่บ้านสามีหล่อนว่าโยมเอามาจากไหนละ่ะพระใหม่หรือว่าเก่า เราเช่ามาค่ะาหลวงพ่อเป็นพระเก่าแล้วก็เช่ามาในราคาถูกเจ้าของก็ร้อนเงินหลวงพ่อช่วยตรวจสอบให้หน่อยเถิค่ะว่าเราโชคไม่ดีนั้นเป็นเพราะพระพุทธรูปหรือเปล่าคงไม่ใช่แน่ถึงอย่างไรอัตมา ก, ก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธรูปจะให้โทษเคยพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์อย่างไรคะเอาละอัตมาจะเล่าให้ฟังเรื่องเป็นอย่างนี้แล้วท่านจึงเล่า ว, ว่า สมัยที่อาตมาอยู่วัดพรหมบุรีอาตมารู้จักกับเจ้คนหนึ่งชื่อเปียมีอาชีพขายกล้วยแขกอยู่ในตลาดอาตมาก็เรียกแกว่าเจ๊เปียเพราะอายุแกกว่าอาตมาสักสาหรือสี่ปีรู้จักกันตั้งแต่อาตมายัางเป็นเด็กในเวลาต่อมาเจ๊เปียก็ได้แต่งงานไปกับเจ่าแก่ร้านขายทองฐานะร่ํารวยเลยเลิกขายกล้วยแขกตอนอาตมาบวช เจเปียมีลูกสามคนแล้วก็เลยเรียกอัตมาว่าหลวงนาคือเรียกตามลูกวันหนึ่งอัตมาก็ไปแวะเยี่ยมแกที่ร้านขายทองในตลาดแกก็ให้ดูพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสุขโขไทยอายุประมาณเจ็0แปรปีมีรูอยู่ที่แท่นแกบอกว่าหลวงนาพระองค์นี้พิกลตั้งแต่ชั้นเช่ามาไว้ในบ้าน ฉันกับเท่าแกทะเลาะ ก, กันทุกวันแล้วก็แปลกตรงที่ทะเลาะ ก, กันเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็ไปเลิกเอาหกโมงเป็นอย่างนี้ทุกวันทั้งที่ก่อนหน้าไม่เคยทะเลาะ ก, กันเลยลวงนาช่วยตรวจดูหน่อยเถอว่าเป็นเพราะพระองค์นี้หรือเปล่าอาตมาไม่เชื่อว่าสาเหตุมาจากพระพุทธรูปเลยแนะนำแกว่าสงสัยจะหิวข้าวมั้งถ้าเช่นนั้นให้พากันทานข้าว ตอน4โมงเย็นพอ5โมงท้องอิ่มจะได้ไม่ทะเลาะกันแกก็ทำตามวันรุ่งขึ้นแกก็มารายงานให้อัตมารทราบบอกหลวงนาะฉันกับเท่าแกทำตามที่หลวงนาบอกแต่ก็ยังทะเลาะกันอยู่ดีพอ5โมงตรงทะเลาะกันแล้วต่างคนต่างหงุดหงิดพอ6โมงเย็นก็หายอัตมาก็แนะนาอีกว่าให้เปลี่ยนมาทานบ่ายโมง ถ้ายัางไม่หายก็ให้เปลี่ยนมาทานสองทุ่มเจ๊เปียก็กลับไปบ้านรุ่งขึ้นอีกสองวันมารายงานอีกคราวนี้เท่าแก่ก็มาอุ้มพระพุทธรูปมาด้วยเจ๊เปียรรายงานว่าหลวงนาวันก่อนชั้นกับเท่าแก่ก็ทําตามที่หลวงนาแนะนําคือทานข้าวตอนบ่ายโมงห้าโมงเย็นเป้งก็ทะเลาะกันอีกหกโมงก็หยุดทะเลาะก็เลยตกลงกันว่าพรุ่งนี้จะทานตอนสองทุ่ม ตามที่หลวงนาแนะนำปรากฏว่าห้าโมงเย็นทะเลาะ ก, กันอีกคราวนี้ทะเลาะ ก, กันยันสองทุ่มเลยเป็นอันว่าข้าวปลาก็ไม่ได้กินฉันกับเท่าแก่แน่ใจว่าต้องเป็นพระองค์นี้เลยเอามาฝากหลวงน้าไว้ช่วยตรวจด้วยว่าพระองค์นี้มีอาถถันอะไรหรือเปล่าแล้วเ้าก็พากันลากกลับอัตมาก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ตรวจให้เดือนต่อมาอัตมาไปตลาด ก็แวะไปถามข่าวกราวที่ร้านเจเปียรายงานว่าตั้งแต่เอาพระองค์นั้นไปฝากไว้ที่หลวงนาฉันกับเท่าแก่ไม่เคยทะเลาะ ก, กันอีกเลยต้องเป็นพระองค์นั้นแน่ๆฉันไม่เอาคืนแล้วขอถวายหลวงนาเลยเจเปียว่าอย่างนี้แล้วเวลาห้าโมงหลวงพ่อทะเลาะ ก, กับใครบ้างหรือเปล่าครับคนเป็นสามีถามเพื่อหาข้อสรุป จะทะเลาะ ก, กับใครละ่ะอัตมาเป็นพระขืนไปทะเลาะวิวาทกับใครก็เป็นอาบัติโทษนะซิท่านตอบถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าพระพุทธรูปไม่ได้เป็นสาเหตุให้เจ๊กับเถ่าแก่ทะเลาะ ก, กันใช่ไหมคะคนเป็นภรยาถามเป็นหรือไม่เป็นอัตมาก่อไม่ตอบ ขอให้อดใจฟังต่อไปและท่านก็เล่าต่อเอ๋ทะเลาะกันเป็นเวลาก็แปลกดีเจ๊เปียกับเท่าแก่สวดมนต์ไม่เป็นทั้งคู่ไม่เคยสวดมนต์นั่งกรรมาฐานก็ไม่เป็นอาตมาก็ถามเขาว่าเช่ามาองค์ละเท่าไรเจ๊เปียก็บอกว่าพันบาทซึ่งอัตมาว่าไม่แพงเพราะเป็นพระเก่า พอกรับวัดอัตมาก็พิจารณาพระพุทธรูปอย่างละเอียดเป็นพระปางสุขโขไทยสวยงามมากลวดลายสลักฝีมือประณีตรเรียบร้อยขนาดหน้าตักว้าง12นิ้วเสียอย่างเดียวคือมีรูที่ฐานเท่านั้นและอัตมาก็ใช้วิธีดูแบบศยศาสตร์ตามที่เคยเรียนมาโดยว่าคาถาพุทธังอรัตนานังธรรมังอรัานานังสังฆังอรัานานัง โอ้โหขนหัวลุกเลยก็สรุปว่าพระองค์นี้คลังดีแต่ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมทำให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันเลยเปลี่ยนวิธีใหม่ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งวิปัสสนาและแผ่เมตตาบอกเทพที่สถิตยอยู่ในพระพุทธรูปปางสุขโขทัยนี้ขอท่านดลใจให้รู้เหตุผลว่าทำไมเจ๊ที่เช่าไว้จึงต้องทะเลาะกับสามี ขอให้ช่วยหาเหตุผลให้ได้อาตมาก็ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนได้ผลออกมาเลยแม่พระพุทธเจ้าท่านลึกซึ้งเหลือเกินแผ่เมตตานี้ให้ผลดีมากคําสอนของพระพุทธเจ้าช่างอัศจรรย์เป็นที่สุดหลวงพ่อหาสายเหตุได้หรือครับถูกแล้วไม่น่าเป็นไปได้เลย เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆเรื่องก็คืออยู่มาวันหนึ่งที่วัดหัวบึงซึ่งอยู่หลังอำเภออินไปหลายกิโลเมตรเขาได้ข่าวจากคำเล่าลือว่าอาตมาเทศมหาชาติเก่งเทศกันมัดสีคนฟังร้องไห้สลบตามพระนางมัดสีไปเลยเขาได้ข่าวมาว่าอย่างนี้และจริงหรือเปล่าคะหญิงสาวถามขึ้นอันนี้ก็ต้องถามคนฟัง อาตมาเป็นคนเทศตอบไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าอวดอ้างสรรพคุณแต่โยมคนนั้นเขาบอกมาอย่างนี้เจ้าภาพส่งเข้ามานิมนต์อาตมาไปเทศที่วัดหัวบึงตอนนั้นอาตมายังหนุมหน่มนาเพิ่งบวชได้ 3, 4, สามสี่พันษาถึงวันนัดอาตมาก็นั่งเรือไปลงที่อำเภออินเจ้าภาพเขาก็ส่งมอเตอร์ไซค์มารับต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอีกสิห้ากิโลเมตรออกไปกลางทุ่ง วัดหัวบึงเป็นวัดธรรมยุทธ์เพิ่งสร้างได้ไม่กี่ปีอาตมาก็รู้จักกับสมพานแต่ไม่รู้จักเจ้าภาพและทำไมเข้ามานิมนต์ได้ล่ะครับคือเขาได้ข่าวเล่าลือว่าอาตมาเทศเก่งจึงส่งคนมานิมนต์เหตุผลที่แท้จริงก็คือเกิดจากเทพที่สถิตอยู่ที่พระพุทธรูปโดนใจให้เจ้าภาพอยากนิมนต์อาตมาทั้งที่ไม่รู้จักกัน คนขับมอเตอร์ไซค์ขับไปถึงบ้านหลังหนึ่งก็บอกอาตมาว่าแวะบ้านนี้ก่อนเถอเจ้าของบ้านเข้าใจดีเดี๋ยวผมจะล่วงหน้าไปส่งข่าวเจ้าภาพก่อนและจะกลับมารับอาตมาก็บอกไม่แวะดีกว่าเพราะไม่รู้จักเจ้าของบ้านเขาก็บอกแวะเถออีกครึ่งกิโลก็จะถึงบ้านเจ้าภาพเดี๋ยวผมจะกลับมารับขอให้อาตมาลงอาตมานึกโกรธ จึงต้องยืนกำหนดก โ, หนโกรธหนอโกรธหนอเจ้าของบ้านสองคนตายายเห็นก็กุลีกุจอลงมานิมนต์ขึ้นไปบนบ้านหาน้ำร้อนน้ำชามาถวายบ้านเขาหน้าอยู่มากเป็นเรือนทรงไทยหลังใหญ่ก็สนทนาปราัยกัน โยมผู้ชายเล่าว่าเคยบวชมา 15, สาิบห้าพันษาเทศเก่งมีคนนิมนต์ไปเทศตามวัดตามลานข้าวตามหมู่บ้านแล้วก็ติดกันเทศคราวละมากมากยิ่งเทศมหาชาติโดยแล้วคนฟังไม่ลุกไปไหนเลยเวลานี้เขามีลูกห้าคนเป็นอำเภอสองคนนอกนั้นรับราชการแล้วก็แยกครอบครัวไปหมดเหลือสองคนตายยายอยู่บ้านอัตมาก็หัน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 อาตมาก็ถามว่าแล้วพระองค์นั้นไปไหนล่ะเขาก็เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปเขาบอกตอนที่เขาบวชอยู่ไปเทศตามบ้านสมัยนั้นเขาอยู่สุขโขทยัยมีคนเอาพระพุทธรูปติดกันเทศสามองค์พอศึกก็ถวายสมภารไปหนึ่งองค์ถวายไว้ที่หอชันหนึ่งองค์อีกองค์หนึง่งเขารักมากเก็บไว้เป็นส่วนตัว เป็นพระพุทธรูปปางสุโคไทยมีรูอยู่ที่แทน่นพอเขาเล่ามาถึงตอนนี้อาตมาก็ชักเอะใจแต่ก็ไม่ได้พูดว่าอะไรก็นั่งฟังต่อไปเขาก็เล่าว่าพอศึกมาก็มาได้ภรรยาที่พิศณุโลกแล้วก็ลงมาทำมาหากินที่ชัยนาธกระทั่งมาจับจองที่ดินทำมาหากินอยู่ใกล้วัดแห่งนี้มีลูกด้วยกันห้าคน เรียนหนังสือเก่งทุกคนเขากลับภรรยาสวดมนต์นั่งกรรมฐานทุกวันก็ทำมาค้าขึ้นมีที่นาถึงห้าร้อยไร่พระพุทธรูปองค์นี้ทำให้เขารวยวันหนึ่งโจรมาปล้นบ้านเอาเงินทองไปเขาไม่เสียดายแต่เอาพระพุทธรูปเข้าไปเสียดายเสียใจร้องไห้อยู่หลายวันพอถึงห้าโมงเย็นเขากับภรรยาก็มานั่งหน้าโต๊ะโมบูชา สวดมนต์นั่งกรรมาฐานแผ่เมตตาไปยังพระพุทธรูปที่ถูกโจรเอาไปทาอย่างนี้ทุกวันเป็นเวลาติดต่อกันถึงเจดเดือนนับตั้งแต่ถูกปลน้นอาตมาก็ถามว่าพระโย ม, มีลักษณะอย่างไรเขาก็ตอบตรงตามลักษณะของพระองค์นั้นทุกอย่างอาตมาก็แน่ใจว่าต้องใช่พระองค์นั้นแน่แต่ก็นิ่งไว้ยังไม่พูดอะไรพอดีมอเตอร์ไซค์มารับ อาตมาก็ลาเจ้าของบ้านไปเทศกรรมัสยิที่วัดหัวบึงวันนั้นกลับถึงวัดสี่ทุ่มรุ่งเช้าอาตมาก็ไปหาเจพเปียถามว่าซื้อพระมาจากไหนแกตอบว่าจากตาอินพอดีอาตมารู้จักตาอินก็ตามไปที่บ้านแกตอนนี้แกยังอยู่หรือเปล่าคะหญิงสาวถามตายแล้วตายก่อนที่อาตมาจะย้ายมาอยู่วัดนี้ และแตะอินซื้อมาจากไหนครับหรือว่าเป็นคนไปปล้นคนเป็นสามีอยากรู้เปล่าหรอกตะอินแกเป็นคนดีไม่ได้เป็นโจรแกบอกแม้ท่านครับพระองค์นี้แปลกมากมาอยู่บ้านผมหลานสาวสองคนหนีตามผู้ชายไปหมดตระกูลผมไม่เคยมีอย่างนี้ผมก็โกรธพระเลยขายให้เจบเปียในราคาพันบาท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 แต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้มันด่าตั้งแต่ห้าโมงเย็นยันหกโมงพอหกโมงแล้วก็เลิกด่าเป็นอย่างเงี้ยทุกวันพอผมขายพระไปมันก็เลิกด่าอัตมาก็ถามอีกว่าโยมไปซื้อมาจากไหนเขาก็บอกบ้านให้อัตมาก็ไปบ้านนั้นเขาก็บอกหลวงพี่พอผมเช่าพระอง์นี้มาพี่น้องทะเลาะ ก, กันถึงขึ้นโรงขึ้นศาล เขาขายพระองค์นี้ไปสารยกฟ้องเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออัตมาถามว่าไปเช่ามาจากใครเขาบอกซื้อมาจากบ้านน้องสมเป็นบ้านเสือคนบ้านนี้ยึดอาชีพเป็นเสือเป็นโจนเที่ยวปล้นเขาเป็นกันเกือบทั้งหมู่บ้านอัตมาก็เลยจําใจต้องเข้าไปในดงเสือนี่ใช้เวลาหลายวันเลยนะไม่ได้ทําในวันเดียว ตกลงหลวงพี่ไปบ้านเสือไหมครับก็ต้องไปเพราะต้องการพิสูจน์ความจริงให้ได้พอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งอาตมาก็เดินทางไปบ้านเสือไปคนเดียวไปถึงก็ถามหาบ้านที่ขายพระพุทธ ร, รูปโยมคนนั้นก็ไปถามบ้านหนึ่งเขาก็บอกรู้จักแล้วก็พาไปที่บ้านโยมคนที่ขายไปถึงอาตมาก็ถามตรงๆว่าโยมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ อาตมาเป็นพระภิกษุอยากจะถามว่าพระพุทธรูปที่โยมขายไปนะ็น่ะโยมไปปล้นมาจากบ้านหัวบึงใช่ไหมขอให้บอกอาตมาตามจริงเท่านั้นแหละโยมคนนั้นคว้าปืนมาจ่อใส่อาตมาเลยพูดโกรธ ว, ว, ว่านี่ท่านเป็นสายสื่อให้ตำรวจหรือยิงทิ้งเลยดีไหมอาตมาก็รีบท่องคาถาของสมเด็จโตคาถาอะไรคะ คนเป็นภรยาถามอย่างสนใจคาถาเมตตามหานิยมครั้งมากโยมจำเอาไปใช้บ้างก็ได้ไม่สงวนสิทธ์คาถาว่ายังไงครับคนถามคือสามีเมตตาคุณนางอารหังเมตตาและเป่าเพียงโยมคนนัดลดปืนลงเลยเมตตานิสักสิทธ์ลวเกินนะก็สรุปได้ว่าแกไปปร้นเข้ามาจริง แล้วก็ขายกันต่อๆเป็นแถวไปอยู่บ้านไหนพอห้าโมงเย็นคนบ้านนั้นทะเลาะกันทุกรายแมมจับได้ตอนแผ่เมตตานี่เองโยมเจ้าของพระบอกอาตมาว่าเขาช่วยกันแผ่เมตตาให้โจรทุกวันโยมจำได้ไหมละ่ะ อะไรอะไรมันก็สู้เมตตาไม่ได้โกรธใครเกลียดใครก็แผ่เมตตาให้เขาไปอย่าไปแช่งชักหักกระดูเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองถ้าแผ่เมตตาให้เขาก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเองเหมือนกันตกลงสองตายายได้พระคืนไหมครับอัตมากำลังเล่าอยู่พอดีเป็นอันว่าพระพุทธรูปองนั้นเป็นของสองตายายนี่แน่อัตมาไปหาเจ๊เปีย บอกจะขอซื้อพระพุทธรูปไปคืนเจ้าของพบเจ้าของแล้วเจเปียจะขายเท่าไหร่เจเปียบอกไม่ขายหรอกฉันถวายหลวงนาอาตมาไม่ยอมเอาเงินให้เขาไปพันบาทตามราคาที่ซื้อมาเขาก็ไม่ยอมรับยืนยันว่าถวายอาตมาเพราะตั้งแต่เอาพระพุทธรูปมาไว้ที่วัดไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยรุ่งขึ้น อีกวันอาตมาเดินทางไปบ้านหัวบึงเอาพระพุทธรูปไปด้วยหอผ้าขาวสองชั้นอย่างดีเลยไปถึงอาตมาก็บอกโยมอาตมาเอาพระพุทธรูปมาให้เขาปฏิเสธพร้อมกันทั้งสองคนบอกไม่เอาครับไม่เอาค่ะพ่ออาตมาแก้ห่อผ้าออกน้ําตาร่วงทั้งสองคนเลยจากนั้นก็ไม่สนใจอาตมาเสีแล้วช่วยกันส่งน้ําพระพุทธรูปปิดทอง สวดมนต์ทากรรมฐานอัตมานั่งดูเงียบๆดูเวลาด้วยปรากฏว่าใช้เวลาถึงสองชั่วโมงบอกต้องต้อนรับให้สมกับที่คิดถึงเสร็จแล้วถึงได้มานั่งคุยกับอัตมาอัตมาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังเขาก็หยิบเงินมาสองหมื่นบอกถวายเพื่อสนองประเดชพระคุณอัตมาไม่รับบอกว่าร้านทองเขาถวายอัตมา อาตมาก็นำมาคืนเจ้าของจึงไม่รับสตางค์เดียวก็ไม่รับเขาก็พากันขอบคุณอาตมากราบแล้วกราบอีกเรื่องนี้อาตมาขอสรุปว่าของบางอย่างเป็นพิษสำหรับเจ้าของไม่ควรซื้อไว้ไม่ใช่พระพุทธรูปให้โทษพระพุทธรูปไม่ได้ให้โทษใครแน่นอนแต่เจ้าของของเขาหวงแหนและสิ่งนั้นได้มาในทางมิชอบ เช่นรักเข้ามาปร้นเข้ามาของนั้นก็อยู่กับเราไม่ได้อย่างเช่นพระพุทธรูปองนี้ไม่ใช่พระให้โทษแต่เทพที่สิงสถิตอยู่ที่พระพุทธรูปบรรดาให้เป็นไปอาตมาขอฝากไปคิดเป็นการบ้านด้วยอาตมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วแสดงว่าพระพุทธรูปที่เราสองคนเช่าวไว้อาจจะมีที่มาเหมือนกับองค์ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังก็ได้ ขอความการุณาหลวงพ่อช่วยตรวจสอบให้ด้วยเถิดค่ะหญิงสาวอ้อนวอนหากเป็นเช่นเมื่อก่อนจะเอาวาัดวัดป่ามาม่วงคงต้องใช้เวลาหลายวันสืบสาวหาที่มาที่ไปแต่เดี๋ยวนี้ท่านไม่ต้องทำเช่นนั้นเพราะประสบการณ์ได้สะสมไว้มากทำให้ไม่ต้องลาบากถึงปานนั้นเพียงหลับตาและพูดในใจว่าเห็นหนอท่านก็รู้ที่มาที่ไปอย่างทุน่นที คนที่เอามาขายเขาเขาโมยมาจากวัดกลางทุ่งขายในราคาส0 0ร้อบาทใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับคนทั้งสองตอบพร้อมกันขอให้โยมนำไปคืนสมภารตุท่านเสียเล่าให้ท่านฟังตามที่อาตมาบอกตอนนี้ทางวัดกำลังหากันเจ้าลาวันเลยพรุ่งนี้โยมเอาไปคืนนะรู้จักวัดไหมไม่รู้จักครับ คนเป็นสามีตอบไม่เป็นไรพรุ่งนี้มารับลูกศิษย์อาตมาไปด้วยเขาเป็นลูกชายสมพานเขาจะช่วยบอกทางให้ท่านจัดการให้เด็กชายสัมฤทธิ์ได้ไปเยี่ยมหลวงพ่อตามที่ฝ่ายนั้นเรียกร้องเป็นอันว่างานนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว